แล้วต่อไปนะราชาทีหิอสาธารณโพคตาการมีโภคะไม่ทั่วไปกับพระราชาเป็นต้นนะถ้าหากว่ามีบุญศีลข้อนี้ดีเนี่ยนะใครก็มาปล้นไม่ได้เป็นต้นก็คืออย่างเช่นโจรก็ลักไม่ได้น้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้นะลูกจังไรก็ไม่พลานา ง, งั้นถ้าหากว่าศีลข้อนี้ดีนะแต่ถ้าศีลข้อนี้ไม่ดีอะ่ะเชื่ อ, อขนาดเอาไปซุกเอาไว้เนี่ยพวกยังตามหาเจอเอีก ซ่อนไม่ตรงไหนพวกรู้หมดอะเขาบอกว่าไอหีบนะพวกหีบพวกอะไรนะเราสมมุติว่าเรามีสตังสักหลายๆเยอะๆหน่อยก็เอาไปไขกุญแจใส่ในหีบใส่ในตู้เซฟอย่างดีเลยนะเขาบอกว่าทําอย่างนั้นเนี่ยมันป้องกันโจนกระจอกเขาว่ากันแต่ระดับมหาโจนเนี่ยมายกหีบอันนั้นไปเลยโ <laughs> จรมีหลายระดับ <laughs> เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะ เขาบอกว่าอยู่ในดินเนี่ยยังมีพวกล้วงกระเป๋าล้วงอะไรเลยเขาบอกเครื่องบินเนี่ยบนเครื่องบินก็สบายใจหน่อยใช่ไหมจะได้มีคนระดับเดียวกันอะ่ะเขาบอกว่าตอนนี้บนเครื่องบินก็ถูกลักเหมือนกันบนเครื่องบินเนี่ยก็ถูกมอมยามเหมือนกันมันถ้าหากว่าผลแห่งกรรมประเภทนี้มันให้ผลนะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยพวกทรัพย์สินพวกนี้ก็มีแต่เสียหายอย่างเดียวไม่น่าเสียมันก็ต้องเสียนะ การประเภทอาทินาทานเนี่ยจะทำให้เสียทรัพย์มากคนเนี่ยพอเสียทรัพย์อย่างเดียวไม่พอส่วนใหญ่จะเสียอย่างอื่นด้วยเสียอะไรเสียใจนะผลของกรรมเก่าเสียทรัพย์ไม่พอเสียใจอีกนะสามสองอีกโทษของวาตานะเห็นโทษรป่า <c oughs> รับกรรมเก่าทำกรรมใหม่รับกรรมเก่าทำใหม่นยู่แน่เนานะไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึง ต่อไปนะถ้าหากว่ารักษาศีลข้อนี้ดีอุลาระโภคตาเป็นผู้มีโภพาโอรานนะว่ามีอะไรก็มีแต่ของใหญ่ๆนะแล้วก็ต่อไปตัทฐเชธกะพาโวความเป็นหัวหน้าในที่นั้นๆนะเป็นใหญ่เป็นโตได้นะต่อไปก็นัตถิภาวัสอาชานานตาความเป็นผู้ไม่รู้จักคำว่าไม่มีนะเกิดมาเนี่ยเขาถามหาอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะ แต่แถวแถวเขตแถวบ้านอันดมาเนี่ยถามอะไรมีไม่มีสักอย่างเลยนะถามไม่น่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีนั่นก็ไม่มีว่ามีแต่คําว่าไม่มีตลอดเลยมันเกิดมาไอ้คำว่าไม่มีเนี่ยได้ยินมากที่สุดแสดงว่ากรรมประเภทนี้เราทําไว้เนาะมันทับบุญดีๆเนี่ยนะไอ้คําว่าไม่มีเนี่ยไม่ได้ยินหรอกเหมือนกับพระอนุรุทธะใช่ไหมอดีตชาติเนี่ยเกิดเป็นนายอันนภาราเนี่ยโอ้โหจนมากอะ เขาเที่ยวกันไม่มีโอกาสเที่ยวอ่ะเ้าวันหยุดเนี่ยเราไม่มีหยุดอะ่ะทำงานตลอดเหน็ดเหนื่อยอาบเหงือ่อตางน้ำอะ่ะเช่อะไรเกี่ยวญาเกี่ยวญ่าให้มากใช่ไหมทีนี้ก็ก้อนวันหนึ่งอ่ะนะพระเนี่ยเดินผ่านไปพระประเจดเดินผ่านแล้วก็มีศรัทธาขึ้นมาอตอนที่เรามีทรัพย์ก็ไม่มีพระตอนมีพระก็ไม่มีทรัพย์ นะบางทีก็มีศรัทธาแล้วพระไม่มาก็มีของมีแล้วก็มีทีนี้โอ้วันนี้ได้ลาบลแล้วแหละทีนี้ก็ไปให้ทานกับพระประเจกแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าไอ้คาว่าไม่มีเนี่ยอย่าได้ยินอีกต่อไปนะรู้สึกว่าเกิดมาเนี่ยคาว่าไม่มีเนี่ยฟังจนน่าเบื่อนะข้าวมีไหมหมดแล้วเงี้ยไม่มีเงี้ยคาประเภทนี้มันแซงกันนะได้ยินบ่อยๆเข้าเนี่ยท่านก็เลยคําว่าไม่มีเนี่ยอย่าได้ยินอีกเลยก็บอกว่าชาติสุดท้ายของท่านมาเกิดเป็นพระอนุรุทธะนะ ใครเคยกินขนมไม่มีมัง้งไงแลมีวันครั้งหนึ่งเนี่ยพอมาเกิดเป็นเจ้านรุธาเนี่ยนะเป็นคนที่รู้อย่างเดียวว่าข้าวสุกเนี่ยเกิดในในจานะข้าวสุกเนี่ยเกิดในจานทองคําด้วยนะะเป็นกษัตริย์อ่ะะข้าวสุกเกิดในจานทองคำํำว่างั้น <S <S <S เพื่อนๆคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยรู้ไม่จริงข้าวสุกมันต้องเกิดในหม้อสิอีกคนหนึ่งบอกรู้ไม่จริงอ่ะข้าวสุกมันก็ต้องเกิดในฉางว่างั้น ส า, ายช้างมาะก็คือเวลาจะจะหุงสมัยก่อนนี่ก็เอามาตาใช่ไหมไปเปิดช้างมาเอามาครลงเอามาตำก่อนแต่อนุรุ ธ, ธาเนี่ยพิเศษกว่าเพื่อนเนี่ยหข้าวส่งเกิดในถาท้องคํานะก็หิวเมื่อไหร่ก็เปิดได้กินเลยในชะ่ไอ่ามีบุญมากทีนี้มีส่วนหนึ่งเขาเป็นชอบเล่นโคลบ ก, กันเป็นการเล่นการพนันชนิดหนึ่งเหมือนกันเล่นกับเพื่อนๆ น, นะนะทีนี้เจ้าอนุรุธาเนี่ยเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เล่นมีแต่เสียเสียอ่าเขาใช้ ขนมเล่นเอาขนมกันนะใครชนะก็ได้ขนมไปก็เล่นไปกินกันไปนั่นแหละทีนี้เล่นวันนั้นเนี่ยเล่นแพ้บ่อยมากสองสามครั้งก็ใช้ให้คนใช้เนี่ยไปเอาขนมที่วังอะ่ะทีนี้ครั้งที่สามที่สี่ก็บอกว่าแม่ก็บอกขนมไม่มีนะคนใช้ก็ไปบอกขนมไม่มีเออเอาขนมไม่มีมาเพราะเกิดมาไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีเลยนะเอาขนมไม่มีอ่มา แม่ก็อยากจะสอนลูกไอ้ไม่มีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะก็ล้างถาบอย่างดีเลยสะอาดเสร็จแล้วก็เอาถาดทองคาอีกใบหนึ่งมาปิดนะส่งไปให้ลูกเนี่ย ไ, ไม่มีแปลว่าอย่างนี้นะมันว่างๆอะทีนี้ก็บอกว่าเดือดรอ้อนนึงเทวดาอีกนะเทวดานี่ต้องมาใส่ของทิพย์ลงไปอะ่ะถ้าไม่ใส่ไปเนี่ยหัวแตกเนี่ยแต่ว่ามีโทษมากคนมีบุญเดือดร้อนไม่ช่วยเหลื อ, อมีโทษเทวดาก็ต้องเอาขนมทิพย์ไปเสร็จแล้วก็หูเปิดเนี่ยหอมทั้งเมืองเลยนะ โอ้อร่อยจริงๆเลยแม่ของสายแม่รักเราเราไม่เคยเอาขนมชนิดนี้มาให้เรากินเลยเวละพอเย็นก็กลับไปหาแม่แม่แม่ไม่รักหนูเลยว่างั้นไม่รักผมใช่ไหมว่างั้นทําไมลูกพูดอย่างนั้นอ่ะก็แม่ไม่เคยทําขนมแบบนี้ให้ลูกกินสักทีเลยแม่นี่งงขนมยังไงวะเนี่ยเขาบอกว่าไปเล่าก็ถามคนใช้บอกว่าหิ้วไปพอเปิดมาก็มีแต่ขนมเลย <S <S ทีนี้บอกว่าแม่ <S <S ผมไม่กินขนมอย่างอื่นแล้วนะจะกินแต่ขนมชนิดนี้ว่างั้นจะทานแต่ขนมไม่มีอ่ะ ถ้ามีบุญแล้วก็เป็นอย่างนั้นน่ะเนาะมันจะมีหมดแหละแต่ถ้าไม่มีบุญเนี่ ย, ยคำว่าไม่มีเนี่ยได้ยินจจนเป็นคำปกติเลยนะ <c oughs> ไปนะเก้าสุขวิหารตาความเป็นผู้อยู่อย่างสบายนะคือไม่ต้องไปเดือดร้อนใจในเรื่องทรัพย์สินเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็เรื่องทรัพย์ทรัพย์สินนี่แหละกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยบางคนเนี่ยทานก็ให้นะอาทินาทานก็เอา ทานก็ให้อธินาทานก็รักเพราะฉะนั้นเวลากรรมให้ผลไ อ, อ้รวยก็รวยทรัพย์สินก็เสียหายทีเนี้ยไอ้ที่รวยก็รวยไปทรัพย์สินเสียหายก็มานั่งกลุ้มอกกลุ้มใจนั่นแหละบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะทั้งรักทั้งทางบุญนะ่ยนะทานก็ให้รักก็รักเหมือนโจรสมัยก่อนใช่ไหมปล้นเอามาแจกชาวบ้านอนะไรงี้ปล้นมาแจกคนโจนอย่างเงี้ยความคิดของโจรบางทีก็เป็นลักษณะนะั้นไอ้ที่ปล้นก็อย่างหนึ่งไอ้ที่รักก็อย่างที่ปล้นก็อย่างหนึ่งให้ทานก็อย่างหนึ่งคนลักขณะกัน แต่ว่าวัตถุทานใดก็ตามที่ได้มาด้วยการรักเป็นต้นของนั้นนะมาทำบุญบุญไม่มีผลมากไม่มีอันนี้สองมากอะไรถ้าหาว่าของนั้นได้มาบริสุทธิ์นะได้มาโดยชอบทำเนี่ยถึงเข้าทถ้าีเดียวมันก็บุญเนี่ยหาประมาณไม่ได้เพราะว่าคนไม่มีศีลกับคนมีศีลให้ทานอันไหนไดบุญมากกว่าผู้มีศีลเนี่ยไดบุญมากกว่าเพราะว่าเราต้องไม่ลืมนะว่า บุญก็คือสภาพของเจตนาที่คิดจะให้นี้ส่วนหนึ่งนะคนทำไมนี้เชียร์ว่าโอ้โหทําบุญร้อยหนึ่งก็ต้องไม่บุญมากกว่าบาทหนึ่งใช่ไหมเอาวัตถุเนี่ยมาแข่งกันนะใครทําบุญหมื่นหนึ่งก็ได้บุญมากกว่าร้อยหนึ่งก็เอาพวกนี้มาโฆษณาเลยก็มีโฆษกเสียงทองไหนก็มาประกาศยายคนนั้นทําบุญเท่านั้นแปะเชื่อไว้ตรงนั้นเนี่ยคนนี่เห่กันใหญ่เลยจะได้บริจาคจนเขามีบางแห่งเนี่ยนะ เอาชื่อของคุณเนี่ยจะอยู่ได้อีกเป็นพันพนปีก็ว่ากันประกาศขายบุญกันคนเนี่ยแห่ไปบริจาคกันเต็มไปหมดนี่ก็ไม่รู้ว่าบุญมันคืออะไรก็ก็เข้าใจผิดพอทําเสร็จแล้วเดือดร้อนใจในภายหลังอีกทําเสร็จแล้วก็รักษาใจไม่ได้ดังั้นคนที่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกรรมและผลของกรรมจริงๆทําบุญเสร็จรักษาใจไม่ได้ที่เสียหายมากก็คือรักษาใจไม่ได้บางคนเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ทําเจาะจงอ่ะนะไม่รู้จกักทําแล้วเพื่อแพ่ อย่างเช่นให้ทานกับทิ่สู่รูปใดรูปหนึ่งเจาะจงพอท่านเหล่านั้นเปลี่ยนไปก็อจะเป็นจะตายให้ได้นะยนั่นแหละร้องให้มีคนก็ถึงกับเปลี่ยนศาสนาเน่ยนับถือพระหรือนับถือพระศาสนาก็ไม่รู้นะยังงงกันนั่นแหละยิ่งข่าวคราวตอนหลังๆมาเนี่ยพระเสียหายกันหลายรูปอะนะแต่แล้วพวกที่ทําบุญแบบปาติปุตริ ก, กทานก็ทําใจกันไม่ได้นันแหละเสียใจกันเพราะฉะนั้นเวลาให้ทานเนี่ยเราควรทําใจให้ถูก ว่าเราทําเอาบุญไม่ได้ทําเอาอย่างอื่นเมื่อทําเอาบุญนั่นเนี่ยเราก็ต้องคิดดูว่าเราให้เท่าไหร่เราจึงจะรักษาใจเราได้ น, นะเพราะว่าบุญเนี่ยต้องเป็นการสามใช่ไหมจึงจะมีผลมากหนึ่งก่อนให้ใจผ่องใสสองกำลังให้ใจผ่องใสแล้วก็ให้เสร็จแล้วก็ยังรักษาใจไว้ได้นะการสามเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากอันถ้าอะไรเนี่ยนะถ้าสมมติถ้าหากว่าของเหล่านั้นที่ทําไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเสียหายเราทําใจได้ไหม เราต้องฝึกคิดในลักษณะนี้บ่อยๆ<า>จะไปเหมือนกับเศรษฐีท่านหนึ่งอ่ะในศาสนาของพระผู้มีพระภาคองค์ก่อนน่ะเวลาให้ทานเนี่ยนะจะให้ขาดจริงๆไม่ได้นึกเสียใจเลยอ่ะที่ที่เศรษฐีคนนี้ก็ไปให้ทานสร้างกุฏิเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าเป็นกุฏิมีมูลค่ามากนะเป็นโกดนั่นแหละเป็นสิบสิ บ, สบล้านหลังหนึ่งทีนี้เศรษฐีนี่มีศัตรูคนหนึ่งศัตรูก็มาเผากุฏินะ ทั้งๆ ท, ที่กุฏิหลังนี้เนี่ยเศรษฐีเนี่ยรักมากเพราะเป็นกุฏิที่สร้างพถวายพระพุทธเจ้า น, นะเสร็จแล้วพอไฟไหม้เนี่ยถ้าถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะร้องไห้เลยใช่ไหมโอ้เสียหายมากเศรษฐีเนี่ยตบมือดีใจเลยนะเขบอกทําไมอ่ะเขาบอกอาบุญที่ทําไปมันก็เสร็จไปแล้วใช่ไหมกุฏิเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล <c oughs> <c oughs> กุฏิเป็นอพยากระตาใช่ไหม ตัวกุฏิเองเนี่ยเป็นอวินิโผคารูปเท่านั้นเองเหไม่ใช่กุศลอกุศลอะไรหรอกมันแล้วแต่จิตนะโจรเนี่ยคิดจะเผาเป็นอกุศลนะเศรษฐีคิดจะสร้างเป็นกุศลมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าอาวัตถุที่ทำให้ทานไปเป็นต้นนะ่ะสิ่งนั้นคืออัพยากะตะธรรมตัวนั้นไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแล้นถ้าหากว่าให้แล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสารเสิญ พระเวสสันดรเนี่ยนะขอพรข้อหนึ่งเลยนะให้ทานแล้วไม่พึงเดือดร้อนใจในภายหลังนะการรักษาใจใ น, ในการหลังทําไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดบุญนั้นจะมีผลมากหรือไม่มีผลมากก็อยู่ที่การรักษาใจหลังจากการการให้ไปแล้วอปิราปริยะเจตนาเนี่ยสำคัญมากนะแต่ว่ากรรมนั้นจะเป็นญาณะสามปยุทธ์หรือวิประยุทธ์ก็ในขณะที่เป็นมุญชนะเจตนาเจตนาที่กําลัง ให้นะถ้าให้ขณะที่ให้ขณะที่ทําถ้าเป็นกุศลญาณะสัมปยุทธผลก็เป็นญาณะสัมปยุทธแต่กรรมนั้นจะมีผลมากหรือไม่มีมากก็แล้วแต่อปาราภะเจตนาก็คือการรักษาใจเมื่อทําไปแล้วั้นการรักษาใจเนี่ยนะใจใครก็ใจใครรักษาเอากันแล้วกันนะถ้าคนฉลาดก็รักษาใจใช่ไหมแต่คนไม่ฉลาดก็รักษากุฏิ <c oughs> กุฏินจะไปรักษาได้ยังไงไฟไห ม, ไไม้ไฟก็ไหม้แล้วใช่ไหมน้ําก็ท่วมใช่ไหม แต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจดีแล้วว่ากฎเกณฑ์ของสังสารวัตรเนี่ยนะอยู่ที่กุศลอกุศลและอัพยากตะอันถ้าสิ่งที่ควรจะรักษาได้ก็คือกุศลเท่านั้นเองอัพยากตะรักษาไม่ได้จะคูวิญญาณรักษาไม่ให้แตกดับได้ไหมโสตวิญญาณรักษาได้ไหมขานวิญญาณชีหาวิญญาณกายวิญญาณรักษาได้ไหมรักษาผลขนเล็บปันหนังได้ไหมก็รักษาได้ระดับหนึ่งนั่นแหละก็ไม่ทั้งทั้งหมด วันถ้าเรารู้จักต้นเหตุของอัพยากตะเหล่านั้นแล้วจะรู้ว่าอัพยากตะเหล่านั้นเป็นผลของกุศลและอกุศล น, นั่นคือต้นเห ต, ตุถ้าหากว่าสินข้อ น, นี้ทำไม่ดีนะก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจในเรื่องของทรัพย์สินเ่านั้นเดี๋ยวบางทีเนี่ยน้าท่วมเสียหายเท่านั้นไฟไหม้เสียหายเท่านี้แผ่นดินถลม่มเสียหายไปเท่านั้น ไอ้พวกนี้ผลของอาทินาทานนั้นแหละทรัพย์สินเสียหายเหล่านั้นนะถ้ามันให้ผลส่วนใหญ่จะร้องให้อ่ะทีนี้เลยไปหาสินอีกข้อหนึ่งน่ก่อนเนาะกาเมสุมิชาจารสินข้อนี้เนี่ยที่มีความสำคัญมากต่อไปนะกาเมสุได้แก่เมถุนสมาจารก็การประพฤติที่หน้าตำหนิอ่นะ ก็บอกมิชฉาจาโรโได้แก่อาจาระอันลามกที่ท่านตำหนิไว้โดยส่วนเดียวแต่โดยลักษณะเจตนาที่คิดจะล่วงละเมิดอักมนียฐานคือฐานะที่ไม่ควรล่วงละเมิดอันเป็นไปแล้วทางกายทวารด้วยความประสงค์จะเสพอาศัตธรรมชื่อว่ากาเมสุมิชขาจาร <c oughs> ทีนี้หญิงที่เป็นอัคมนียฐาน20ิฐานะที่ไม่ควรเกี่ยวข้องของบุรุษ หญิงยี่สิประเภทเนี่ยผู้ชายไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยผู้ชายใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับหญิง2ี่สิบประเภทนี้เป็นกามีสุมิชาจารย์นะหนึ่งหญิงที่มีมารดารักษาลูกมีพ่อมีแม่พ่อแม่ก็ดูแลอยู่นะหญิงที่บิดารักษาหญิงที่ทั้งมารดาและบิดารักษาหญิงที่พี่ชายน้องชายรักษาพี่สาวน้องสาวรักษาญาตรักษาตระกูลรักษา ธรรมรักษาหญิงที่รับมั่นแล้วหญิงที่กฎหมายคุ้มครองโอ้ดูท่าแล้วนะนอกจากเมียตัวเองละมั่ง <c oughs> นั่นแะ่ะให้รู้จักสันปุตตารับใครว่าให้สันโดษกับบุตรภรรยาหน่อยเหมนั้น <c oughs> แล้วก็หญิงอีกยี่สิบอีกสิบประเภทก็คือหญิงที่ภรรยาที่ซื้อมาด้วยซับเป็นต้นก็คือถ้าถ้าเป็นคนคนสมัยโบราณน่นะ จะมีภรรยาที่ซื้อไถมาด้วยทัย์อย่างเงี้ยคล้ายๆกับไปเป็นทาสใช่ไหมไปเป็นทาสบ้านโน้นอยู่เราก็ไปซื้อทาสมาก็คือเอามาเป็นภรรยานั่นเองหรือภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจภรรยาที่อยู่ด้วยโภคะที่อยู่ด้วยผ้าหรือภรรยาที่พิธีรดน้ำจุ่มน้ำสมัยนี้ก็จะข้อนี้มากกว่ามังนะ้งเนาะก็คือหยดน้ำสังมังนะ้งเนาะแล้วก็ภรรยาที่ช่วยปรงเทศ ลงจากศรีรษะนะครับภรรยานี้อาชีพเขาหนักอ่ะนะเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนอาชีพเขาเอามาเป็นภรรยาภรรยาที่จ้างมาทํางานจ้างมาทํางานด้วยเป็นภรรยาด้วยแล้วก็ภรรยาที่เป็นเฉลยภรรยาที่อยู่ด้วยกันครู่หนึ่งอะนะยิงยี่สิบประเภททั้งหมดนั้นอ่ะผู้ชายห้ามไปล่วงละเมิดถ้าล่วงเมื่อไหร่ก็ถือว่าผิดศีล บวชเนี่ยดีที่สุดนะดูท่าแล้ว <c oughs> ต่อไปนะแต่ว่าบุรุษอื่นเนี่ยนะเป็นอัคมนียฐานของหญิงสิบสองประเภทหญิงสิบสองประเภทนเนี่ยนะถ้าไปผิดกับชายอื่นเมื่อไหร่ผิดศีลหญิงสิบสองประเภทก็คือหญิงตั้งแต่ข้อไหนหนึ่งในในหน้ายี่แปดนะในข้อเก้าเป็นต้นมาเนี่ย หญิงประเภทนี้ไปผิดกับชายอื่นเมื่อไหร่ถือว่าผิดศีลแต่ถ้าข้อหนึ่งถึงข้อแปดตัวเองไม่ผิดศีลไม่ผิดเป็นกาเมสุมิจฉาจานนะสมมุติถ้าเราอยู่กับพ่อแม่เราไปผิดกับชายอื่นเป็นตอนก็ไม่เป็นไรนะแต่ชายอื่นนี่มาผิดกับเราเนี่ยผิดผิดศีล น, นะแต่ถ้าหากว่าเรามีคู่มั่นอยู่แล้วนะมีกฎหมายคุ้มครองอนะคือกฎหมายคุ้มครองคล้ายๆกับพระราชาเขา เขาจับจองไว้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยหรือว่าไปเป็นภรรยาด้วยเหตุอย่างใดยอย่างหนึ่งแล้วนี่ไปผิดกับชายอื่นเนี่ยถือว่าผิดศีลเนี่ยหญิงหญิงสิบสองประเภทไปผิดกับชายอื่นซึ่งไม่ใช่สามีของตนก็ถือว่าผิดศีลนะแต่ผู้ชายเนี่ยผิดกับผู้หญิงยี่สิบประเภทนี่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงดีบวช ด, ดีกว่านะบวช ด, ดีที่สุดนะ มิจฉาจารนี้ชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะอักขนียฐานที่เว้นจากคุณงามความดีมีศีลเป็นต้นนะถ้าไปสมมุติผู้ชายไปผิดกับผู้หญิงที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็บาปน้อยหน่อยว่างั้นไม่ใช่ไม่บาปนะบาปน้อยหน่อยแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยไปร่วมกับคนมีศีลมีธรรมก็บาปมาก อันหนึ่งแม้อาคมนิยฐานที่ปราศจากคุณความดีมิจฉาจารของผู้ประพฤติผิดเพราะการขม่ ม, ม, ม, มขมืนก็มีโทษมากถึงไม่มีศีลแต่ข่มขืนก็มีโทษมากเชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะคนทั้งสองมีฉันทะร่วมกันอา้าวท่าทั้งคู่เต็มใจก็ไม่ใช่ไม่บาปนะบาปน้อยหน่อยท่านเองเมื่อคนทั้งสองมีฉันทาร่วมกันกาเมสุมิจฉาจารเชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะกิเลสและความพยายามอ่อน เชื่อว่ามีโทษมากเพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้าแล้วแต่กำลังของกิเลสในขณะนั้นนั้นนะบาปกรรมในการล่วงเกินภิกษุนีผู้เป็นพระขีนาศบถึงขั้นมิจฉาจรามีโทษมากก็เหมือนกับนันทมาโนปะไตข่มขืนพระนางอุบลวรรณเทรีเนี่ยนะพอพ้นสายตานางปั๊บแผ่นดินสูบเลยแผ่นดินแยกมาตกนรกเอเวจีเลยนะ ทนี้ในคาถาธรรมบทบอกว่านระผู้ประชอบเสพภรรยาคนอื่นย่อมถึงฐานะสี่อย่างคือการได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญสองการนอนไม่ได้ตามความปรารถนาแปลกนะคนผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับจริงๆนะอันนี้นี่นี่รู้จักเลยรู้จักคนหนึ่งอะไอกรรมประเภทนี้หนคล่ อ, องจริงๆเลยเสร็จแล้วนอนไม่ค่อยหลับ ก, กลัวเป็นคนกลัวที่สุดเลย นศีลข้อนี้เนี่ยผิดประจําอีกเหมือนกันทนเขาบอกว่านอนไม่นอนไ ม, ไ, มไม่ได้ตามความปาธนาก็คือโรคนอนไม่หลับจะมีสําหรับพลประเภทนี้แล้วก็สามการนินทาสุดท้ายนี่ไม่น่าปาธนาเลยนิระยะนิระยะแปลว่าไม่เจริญไทยๆใช้คําว่ า, น, านั่นแหละเข้าใจดีะนะก็คือนรกเป็นที่สี่ะนะไม่สนุกเลยอ่ะนะี่ย นึกถึงพระอ น, นุท่านว่านะโอ้ยข้าพเจ้าทํากรรมในสมัยนั้นเหมือนกับคนไม่รู้จักตายก็ว่าไงเพลินสนุกหน้าดูเลยนะเหมือนกับตายไม่เป็นอ่ะเวลามันให้ผลเนี่ยกรรมประเภทนี้มาถูกตอเนี่ยมันสนุกที่ไหนอ่ะนอะ<ม>กรรมชั่วไม่ทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังส่วนบุคคลทํากรรมใดแล้วไม่ตามเดือดร้อนกรรมนั้นเป็นกรรมดีอันบุคคลทําแล้วดีกว่า มีกรรมทั้งเยอะแยะที่ทําแล้วไม่ต้องเสียใจในภายหลังอ่ะนะบุคคลที่ทํากรรมชั่วไว้หนีไปแล้วในอากาศก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วหนีไปในถ้ำกลางมหาสมุทรเป็นต้นก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วนีจริงก็เคยว่ามาครั้งหนึ่งแล้วล่ะทีนี้ต่อไปนะว่าคนพาลย่อมสำคัญบาปประดุดน้ําพึ่งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้พ้น คนพานย่อมสำคัญบาปประดุดน้ำพึ่งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลก็เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพานย่อมประสบทุกเวนะลามันให้ผลเนี่ยมันมันไม่สนุกเลยเนาะนี่ก็คือลักษณะของโทษของการประพฤติผิดศีลข้อสามเป็นต้นมิจฉาจารนั้นมีองค์ประกอบอยู่สี่อย่างคือหนึ่งอคคามนียวัตถุวัตถุที่ไม่ควรเกี่ยวข้อง นะถ้าผู้ชายก็ไม่ควรเกี่ยวข้องกับหญิงยี่สิบประเภทหญิงสิบสองประเภทก็ไม่ควรเกี่ยวข้องกับชายอื่นนีน้แล้วก็สองตัสมิงสวนณะจิตตังมีจิตคิดจะเสพในอคมัมนิยาวัตถุนั้นแล้วก็สามเสวนาปโยโคพยายามเสพสี่มัคเณะมัคคะปฏิปฏิอธิวาสนังการยังมักให้ถึงมักอันนี้ไม่ใช่มัค ก, กับจัยนะ มักอันนี้เขบอกว่าชั่วมเมล็ดงาเดียวนี้ก็เป็นแล้วนะไม่ต้องลึกซึ้งมากมายหรอกอการเมสุมิ่ฉาจานนี่มีประโยคเดียวคือสาหัสทิกะประโยคทำด้วยตัวเองเท่านั้นนะใช้ให้คนอื่นทำก็ไม่ผิดศีล น, นะคือไม่ไม่ตัวเองเนี่ยไม่ผิดศีลข้อตรงนี้นะแต่ก็ประเภทกรรมบดประเภทชักชวนให้คนอื่นทำเนี่ยไปผิดประเภทนั้น การมีถ้าหากว่ารักษาศีลข้อนี้ดีจะได้รับนิสงยังไงดูนิสงต้งงองการงดเว้นดีกว่าเนาะถ้าใครสมาทานศีลข้อนี้เจ๋งๆเนี่ยหวังผลได้เลยเนาะหนึ่งวิคตับปัปจัจธิกตาความเป็นผู้ปราศจากฆ่าศึกนี่ก็ใช่อยู่แล้วเนาะคนที่ไปแอบยุ่งหลังครัวชาวบ้านเขามันยังไงศัตรูก็ต้องเยอะอยู่แล้วอะ่ะมใครชอบบ้างอนะ่ะเนาะ ลูกใครใครก็รักลูกเมียใครใครก็หวงแหะนะอ่ะนะทีนี้คนอื่นที่ไปคิดเป็นอย่างอื่นอ่ะไปทําอย่างอื่นกับสิ่งที่เขาหวงแหนอ่ะมันก็ต้องประกาศศึกกันหน่อยใช่ไหมต่อไปก็สองสัพพสัตตานังปะยะมนาปตาความเป็นที่รักเป็นที่พอใจของสัพพะสัตทั้งหลายนะถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีเนี่ยไปที่ไหนใครก็ชอบศีลข้อนี้ไม่ดีนะพูดเขายังไม่ชอบเลยเห็นหน้าคนตับ๊บคนก็รังเกียจ แลกนะคนบางคนเนี่ยนะไปที่ไหนวงก็แตกตรงนั้นเลย ท, ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเลยนะไปที่ไหนวงแตกตรงนั้นอนะ่ะก็คือประเภทศินประเภทนี้ด้วยนะอดีตเคยทำเหตุประเภทนี้เอาไวอา้อาณณะปานะวัดถัดชาธนาทีนิเออทีนังลาพิตาความเป็นผู้มีปกติได้ของต่างๆเช่นข้าวน้าผ้าและวัตถุเครื่องปกปิดนะก็คือได้ของใช้เยอะอะ่ะ รักษาศีลข้อนี้ดีก็เข้าของเครื่องใช้ก็มีเยอะนอน 4. สุขสุปนาตาหลับสบายนะถ้าผิดศีลข้อนี้ก็นอนไม่หลับอย่างที่ว่าไปแล้วก็5สุขปฏิพุทธชนาตาตื่นขึ้นมาก็สบาย 6. อะปายพยวิโมกข์โหการพ้นจากภัยในอบายโระถาปิดนรกอย่างดีเลยนะ ปฏิบัติตามนี้ได้เนี่ก็สบายเลยนรกไม่ได้อแอบนรกต่อไปนะอิทธิภาวะนปุงสกภ า, าวานังอภพัพตาความไม่ควรแก่การเกิดเป็นหญิงและเป็นกะเทยนี่ถ้าเป็นชายอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะได้ไปเป็นกะเทยสบายเลยแต่ถ้าเกิดเป็นหญิงบางทีเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะชอบความสวยความงามติดในเพศก็เลยเป็นหญิงไปไปอีกนอนอางั้น แต่บางคนเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยเอออยากเป็นชายทําบุญไปก็ปาถนะอยากให้เกิดเป็นชายเนะมีมีหลายคนรู้จักด้วยอยากเป็นผู้ชายจะได้บวชมั้งนั้นแสดงว่ามีทะยาัยบางคนเนี่ยโอ้ไม่เอาแล้วเป็นผู้หญิงดีกว่าชอบแต่งตัวต่อไปนะอกูธนาตาความเป็นผู้ไม่โกรธเออรักษาศีลข้อนี้ดีก็ไม่ค่อยโกรธนะถ้าศีลข้อนี้ไม่ค่อยดีจะเป็นคนนิยมโกรธะ กรธบ่อยๆโกรดเนืองๆ เ, เป็นอัธยาศัยว่างั้นเก้าสัจจการิตาเป็นผู้มีปกติทาจริงไม่หลาอแหละว่างั้นสิบก็อมังกุภูตตาความเป็นผู้ไม่เก้อเขินอ่าก็คือแปลว่าไม่น่าด้านนั่นเองนะไม่เก้อเขินเก้อเขินก็คือน่าด้านอ่ะคื อ, คอบางคนเนี่ยน่าด้านอ่ะแต่ถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีก็ไม่ ไม่ไม่เป็นคนหน้าด้านมีฮีโอตาปากเป็นต้นแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมก็ไม่เก้อเขินแต่ถ้าคนผิดศีลประเภทนี้นะเวลาเข้าสู่ที่ประชุมเป็นต้นเนี่ยก็จะมันสะดุ้งอยู่เหมือนกันแต่ ว, ว่าไม่ค่อยกล้าเข้าสู่ที่ประชุมต่อไปนะอาราธนาสุขนาความเป็นผู้มีความสุขด้วยการรับเชิญนะไปที่ไหนก็มีแต่คนรับเชิญอ่ะนะแต่ถ้าผิดศีลประเภทนี้ใครอยากจะเชิญไปเยี่ยมบ้านเขาบ้างะนะ กลัวนะเดี๋ยวเอาความซวยไปใายบ้านเขาด้วยอ่ะแล้วก็ต่อไปปริปุนินดิยตาความเป็นผู้มีอินทรีย์บริบูรณ์คือเรียกว่ามีตาตาก็สมบูรณ์นะมีหูหูก็ดีมีจมูกจมูกก็ดีเป็นต้นเนี่ยสินข้อนี้ดีก็ทำให้อินทรีย์บริบูรณ์ด้วยและก็นิราสังกตาความเป็นผู้ปราศจากความระแวงนะเป็นคนที่ไม่ระแวงถ้ารักษาสินข้อนี้ดีไม่ระแวง บางคนนี่ระแวงนะผวาอยู่ตลอดเลยก็คือเ ค, เคยไปทำให้คนอื่นผวาไว้นะะตัวเองก็ผวาบ้างต่อไปก็อปโสุกตาความเป็นผู้มีความคว้นขวายน้อยคือคือไม่ต้องลำบากอะไรมากนะักต่อไปก็สุขาวิหารตาความเป็นผู้อยู่อย่างสบายอยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็อะปุโตพยาตาเป็นผู้ไม่มีภัยจากที่ไหนนไม่ต้องหวั่นภัยเลย แล้วก็ปิยวิปปโยคาภาวความเป็นผู้ไม่มีการพลัดพลากจากของรักนะเพราะว่าเราก็ต้องนึกนะว่าศีลประเภทนี้ถ้าผู้ใดไปล่วงละเมิดก็ทำให้คนนั้นนั้นก็พลัดพลากจากของที่เขารักน ะ, ะสมมติว่าปัญหาการแตกแยกส่วนหนึ่งก็คือมักจะมีเป็นบุคคลที่ที่3าเข้าไปครอบครัวก็แตกแยกเั้นคนที่ทำเหตุประเภทนี้ไว้เวลากรรมประเภทนี้ให้ผลก็ต้องแตกแยกเป็นต้นศีลข้ อ, น, น, ขอนี้รักษาให้ดี ที่ว่าโดยอารมณ์คืออ่านในหนังสือเขาบอกว่ามีาสังขารธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าหมายความว่ายังไงคะนั้นศีลข้อนี้มีโพธภารมนั่นเองสังขารในที่นี้ก็คือโพธภารมมีโพธภารมเป็นอารมณ์นะ คือเรื่องมันลึกซึ้งอ่ะก็คือโพธาภะากระทบกันเทนั้นแหละแปว่ามันเพราะมันชั่วมเมล็ดงานหนึ่งกอผิดแหละถ้าการตายด้านก็เขาบอกว่าเอานะขออไยนในวินัยเนี่ยก็บอกว่าแม้แต่ติ่งหนึ่งสมมุตินะมีติ่งเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกหรอกแต่ก็เอาติ่งเนี่ยแย่เข้าไปเนี่ยเป็นเนี่ยนะปราชิกอ่ะขอแากกลับมาข้ออธินาฐานนะครับ อนเนื่องจากบุตรที่ขโมยของบิดามารดาเนี่ิโทษมากเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าถ้าจะเอาของได้กันน้อยก็อเอาเถอะนะมาบอกทีดหลังก็ได้ถ้าลืมไปก็คงไม่เป็นไรอย่างนี้ได้ป่าครับผมครับ ค, คือถ้าคิดลักน่นะก็เหมือนกับคิดฆ่าสมมติน ะ, ะปลาปฏาิบาติกับพ่อแม่บาปมากไหมใช่ไหมเอาอธิษฐานกับพ่อแม่จะไม่ให้บาปเลยล่ะ คือแต่ถ้าสําคัญว่าคือสําคัญว่าท่านไม่หวงแหนเน่ะนะถ้าเราสําคัญอย่างนั้นก็ไม่บ้างใช่ไหมก็เอาองค์ห่ามาจับสิใช่ไหมเรารู้ว่าพ่อแม่หวงแหนไหมเราจิตคิดจะรักของท่านไหมอะไรไหมก็เอาองค์พวกนั้นมาจับใช่ไหมแต่เราคิดว่าเออเรามีส่วนอ่ะเ อ, อ่ถ้าคิดว่าเรามีส่วนก็ก็ชื่อว่าไม่ชื่อว่าเป็นอธินาทานยังไงอะไร อ, อ่ะยิ่งยิ่งอาจจะมีโทษนะไม่เหมือนกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ลูกก็หออนีไปได้ เหมือนกับปานาติบาใช่ไหมคือขอให้คิดที่ในสิ่งที่ไม่ดีกับท่านนะก็มีโทษนะการคิดดีๆกับพ่อคุณพ่อคอณแม่ก็มีคุณมากมายเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกอ่ะเป็นวิสุทธิเทพของลูกอ่ะคือการเกี่ยวข้องกับท่านเนี่ยแล้วแต่เราจะคิดอ่ะคิดดีหรือคิดไม่ดีกับท่านอ่ะการเรียนถามนะคะถ้าถ้าสมมติว่าของของอันนั้นที่เราหยิบไป จากคนที่ที่เราเราู้ว่าถ้าเขาเขามี ส, สติสัม ป, ปชัญญะดีเนี่ยเขาก็จะให้เราแล้วก็เอาไปทําบุญเงี้ยเขามีจิตคิดในทานกุศลอยู่เรื่อยเงี้ยแต่ว่าเราเราไม่ได้เราคือเราบอกเขาก็ไม่เขาก็ไม่รับไม่รับรู้แล้วเงี้ยเอาไปบริจากแทนเขาอ๋อเนี่เราก็ไม่ได้เป็นคิดเป็นอธทินาทาน <saç> น, าน่าจะเป็นกุศลไดเ้เป็นเป็นใช่ก e ็ <c oughs> คือเหมือนกับ ทรัพย์สินของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมซึ่งท่านก็พูดไรไม่ได้แล้วะเราก็ไปทําบุญแทนท่านอะนะะทําบุญแล้วก็ยกให้ท่านนั่นแหละอันนี้ก็ไม่ไม่ชื่อว่าเป็นลักษณะของอาทินนาทานอะไรแต่ถ้าเราคิดเออนี่สลบไปซะได้ก็ดีเราจะได้ไปใช้ตามใจเราเลยทั้งทั้งที่เราเราก็ยังไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นใช่ไหมแต่ถ้าอันนั้นก็มีโทษไปคือในส่วนของอาทินาทานเนี่ยนะเจตนาดีไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะรู้เนะ ในการใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะส่วนหนึ่งจริงๆถ้ามีสามัญยสํานึกเนี่ยจะรู้ว่าผิดหรือถูกนะมีสิทธิ์ใช้ในสิ่งนั้นๆไหมถ้าไม่มีสิทธิ์ใช้เนี่ยบางทีก็เหมือนกับสมมุติว่าสามีภรรยาก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่ว่าต่างคนมีสิทธิ์ใช้ของซึ่งกันและกันเท่าไหร่นะก็มีขอบเขตอยู่ของผมของคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตามตามของตัวเอ ง, ต, เองตัวเองไปล่วงละเมิดกันไม่ได้เพราะบางคนเขาตั้งกติกาไว้กันแบบนั้น ถ้ายุ่งเกี่ยวกันก็ถือว่าเป็นอาทินนาทานไปนั่นเองอันทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจึงบอกว่าส่วนหนึ่งก็ต้องอถ้าเป็นพ ร, พระวินายเนี่ยเรียกว่ามีวิสาสะการถือวิสาสะนั้นก็ต้องเป็นคุ้นเคยกันมากนะคุ้นเคยกันท่านเคยเอ่ยปากไหมและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราถือเอาแล้วท่านจะดีใจนะถ้าคนคุ้นเคยกันเนี่ยนะสมมุติว่าเราเอาไปใช้โดยที่ไม่บอกท่านหรอก แต่ท่านรู้แล้วท่านดีใจมากเลยคนนั้นดีใจเออ น, นี้เป็นลักษณะของ อ, องค์ที่วิสาสะขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าเขาจะเอาคืนต้องใช้เขานะเรียกว่าเป็นพันดะไทยเป็นของที่จะต้องใช้คืนเขาะเพราะว่าเขาไม่ได้เอ่ยปากให้เราใช่ไหมเราไปใช้ของเขาอะ่ะเสร็จแล้วเขาจะให้เราใช้คืนเนี่ยเราต้องใช้คืนนะถ้าเราไม่ใช้คืนก็บอกว่าถ้าเราคิดจะไม่ใช้คืนนั่นแหะ แล้วเขาวางใจว่าเขาไม่ได้คืนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอธินาทานก็ถ้าเป็นของมูลค่าถ้าเป็นพระวินัยก็ตี ต, ตีตีราคาปรับประบัดเลยถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างไม่คิดจะเอาแล้ว เ, เจ้าของคิดว่าไม่ได้แล้วละวางใจว่าไม่ได้ละทางคนเอาก็ไม่คิดจะให้แล้วด้วยนะวางใจทั้งสองเมื่อไหร่ก็ขาดจากความเป็นพระเท่านั้น